บทภาชนี ต, well, engaging. ติกะสังฆาทิเศษหกรกสิบเจกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องเรียกเข้าหมู่ต <obic> ้องอบัตสังฆาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจเรียกเข้าหมู่ต้องอบัตสังฆาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องเรียกเข้าหมู่ต้องอบัตสังฆาทิเศติกะทุกกฎ กรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้องต้องอบวบทุกกฎกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบับทุกกฎกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําไม่ถูกต้องต้องอบับทุกกฎ